เพื่อมาเสริมสร้างบุญบารมีที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดพพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้น้อยลงไปตามลําดับและให้หมดสิ้นไปในที่สุดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่า ประสบเลยเพราะเป็นการเข้าหากองทุกข์เข้าหากองไฟที่จะเผาผลาญจิตใจให้มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทมันสร้างบุญบา ร, รมีกันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างน้อย อาทิต์หนึ่งก็ควรจะมีวันพระสักหนึ่งครั้งวันพระในสมัยโบราณนั้นเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือทางทางดวงจันทร์ตามวันขึ้นแรงของพระจันทร์เช่นทรงบัญญัติให้วันขึ้นแปดค่ำแรงแปดค่ำวันแรงวันขึ้นส5บห้าค่ำ และวันแรง14หรือ15บ่ําคำเป็นวันพระวันธรรมสวนาะความหมายของวันพระก็คือให้เราหยุดภารกิจการงานทางโลกหนึ่งวันคือทางธรรมมาหากินหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ คุกเคล้าไปด้วยกับความทุกข์ส่งให้หันเข้ามาหาความสุขที่แท้จริงด้วยการเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนเช่นทาบุญตักบาทรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมภาวนาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาเพื่อที่จะได้ตัดพบตัดชาติ ตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปแต่เนื่องจากสมัยปัจจุบันนี้เรามีวันหยุดไม่ตรงกับวันขึ้นแรงทางจันทรคติเพราะเราใช้วันหยุดตามสุิยคติตามสากลซึ่งจะหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์กัน ดังนั้นเราก็ต้องปรับให้เข้ากับสภาพของเหตุการณ์ในปัจจุบันเมื่อเราไม่สามารถที่จะหยุดทำงานในวันขึ้นแรงได้เราก็ต้องมาทําวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของเรานี้เป็นวันพระแทนซึ่งก็เหมือนกันเพราะว่ามันความสำคัญอยู่ตรงที่การกระทากิจกรรมทางศาสนา จะทําวันไหนก็เป็นวันพระได้ทําวันจันทร์ก็ได้วันอังคานก็ได้พุทธประหั ส, สุขก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทำเสาร์อาทิตย์เพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีภารติดการงานทางโลกเราก็สามารถทําวันพระได้ทุกวันยิ่งมีวันพระมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้บุญบารมีของเราจเจริญ ง, งอกงามากขึ้นไปมากยิ่งขึ้น และทำให้พบชาติทำให้กองทุกนี้ลดน้อยลงไปมากยิ่งขึ้นอยู่ที่การทำทาชีวิตของเราให้มีวันพระนั่นเองบางท่านก็เลยออกบวชกันนี่คือการทำวันพระทุกวันผู้ที่ออกบวชนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏ ต, ต์คือการเวียนว่ายตายเกิด จึงได้ออกบวชคำว่าภิกษุนี้มีความหมายว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตตะสงสารนั่นเองดังนั้นผู้ที่ออกบวชนั้นจึงต้องปฏิบัติเพื่อที่จะตัดความโลภความโกรธความหลบงบาเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จะได้ตัดพพตัดชาติให้หมดสิ้นไปจาก จิตจากใจ ด, ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ตัดกันท่านทำวันของท่านทุกวันให้เป็นวันพระนั่นเองกิจกรรมของท่านมีแต่เรื่องของการสร้างบุญบา ร, รมีจึงทำให้ท่านสามารถตัดพบตัดชาติตัดการยืนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปได้ในชาติปัจจุบันนี้ ไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลาสร้างบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องต้องทรงสร้างบารมีเพราะไม่มีใครสอนว่ามีบารมีอะไรบ้างที่ต้องสร้างนั่นเองแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำจัดพบชาติต่างๆให้หมดไปจากใจจากพรอไทยของพระองค์แล้ว พระองค์จึงรู้เครื่องมือที่จะกำจัดว่าเป็นอะไรก็คือบุญบารมีที่ทรงสอนให้พุทธบอยศ ส, สัตว์สีคือภิกษุสัมมเนอุบาสกอุบาสิกาได้หมั่นปฏิบัติกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งได้สักหนึ่งวันก็ยังถือว่าพอที่จะรักษาต้นทุนไว้ได้ แต่ยังไม่ได้กำไรถ้าอยากจะได้กำไรอยากจะก้าวคืบขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปจำต้องเพิ่มวันพระให้มีมากขึ้นบางท่านก็เพิ่มเป็นสามวันคือมาอยู่วัดในวันก่อนวันพระแล้วก็วันหลังวันพระอีกวันนึงเป็นจุดเริ่มต้น รเริ่มต้นก็เริ่มต้นนวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อจากนั้นก็เพิ่มเป็นสามครั้งแล้วก็เพิ่มเป็นสี่ครั้งห้าครั้งหรือบางเวลาเช่นในช่วงเข้าพรรษาก็ถือเป็นวันพระทุกๆุวันไปอย่างนี้ก็จะทำให้ภพชาตินั้นมีน้อยลงไปภพชาติน้อยลงไปมากน้อยเพียงไร ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจความทรมานใจต่างๆก็จะน้อยลงไปตามนั้นนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้เพราะเป็นหน้าที่ที่ยังประโยชน์สุดให้แก่จิตใจของชาวพุทธได้อย่างแท้จริงหน้าที่อย่างอื่นนั้นก็เป็น การยังประโยชน์ให้แก่ร่างกายแล้วก็แก่กิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวอันตรายเป็นตัวที่เสริมพบชาติให้ยืดออกไปให้ยาวออกไปให้มีมากยิ่งขึ้นไปดังนั้นภรารกิจที่เกี่ยวกับการดูแลหรือรับใช้กิเลสตัณหา จึงเป็นภารกิจที่ไม่พึงกระทำอย่างยิ่งควรที่จะตัดให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปเพราะถ้าตาดาัดใดเรายังปนิบัติกิเลสตัณหาอยู่ก็จะทำให้พบชาติของเรานี้ยืดยาวนานออกไปอยู่เรื่อยๆส่วนการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะร่างกายเป็นเครื่องมือของการสร้างบุญบารมีนั่นเองถ้าเราไม่มีร่างกายของมนุษย์เราจะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมี mm. เช่นถ้าเราไปเกิดเป็นเทพ mm. เกิดเป็นพรหม mm. เราก็จะมีแต่ความสุขห้อมร้อมจิตใจเลยทําให้เราไม่มีความกระตือรือร้น ขวนขวายที่อยากจะทำบุญอยากจะสวยสุขไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าสุขของเทพสุขของพรหม น, นี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวไม่ถาวรเมื่อได้รับความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆอ่อน ก, กำลังไปแล้วก็ค่อยหมดไปเมื่อหมดไปแล้วถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้มาเกิดในสมัยที่มีพระธรรมคาสอนเช่นสมัยนี้แล้วมีศรัทธาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญบา ร, รมีเพราะจะได้เสริมสร้างบุญบา ร, รมีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้ามาเกิดแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธาก็จะเป็นการเสียโอกาส ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ ง, ง, งแก่ชีวิตจิตใจไปหรือถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับมาเกิดในยุคที่ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างไม่สามารถทำอะไรได้ให้เป็นประโยชน์เพราะต้าต้องอยู่ในความมืดนั่นเอง เวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้ยินเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่ได้ยินถึงเหตุของการทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาเราจะไม่รู้เราจะไม่ได้ยินถึงเหตุที่จะตัดพบตัดชาติก็คือการสร้างบุญบารมีต่างๆนี่เอง บุญบารมีนี่ถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเหมือนกับเบรกที่จะใช้หยุดรถยนต์ส่วนกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่ก็เปรียบเหมือนขันเร่งขันเร่งที่จะทำให้รถนั้นวิ่งต่อไปไม่มีวันหยุดจิตใจของเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์ที่มีทั้งเบรกและมีทั้งขันเร่ง แต่ส่วนใหญ่ในจิตใจของพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี้จะมีคันเร่งมากกว่ามีเบรกจะเหยียบไปตามความโลภความอยากต่างๆทางานทำการหาเงินหาทองมาก็เพื่อทำตามความโลกตามความอยากไม่ได้ทำตามความจงเป็นเช่นอยากจะร่ำรวยอยากจะมีตําแหน่งต่างๆ อยากจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญอยากจะมีความสุขจากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโหธพะชนิดต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนเดิมเครื่องเดิมชนิดต่างๆรับประทานอาหารรับประทานของรับประทานขนมชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ ถ้ารับประทานโดยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีประมาณไม่มีเวลาก็จะถือว่าเป็นการรับใช้กิเลสตัณหาหรือเป็นการเหยียบคันเร่งของภพชาติให้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเรารับประทานอาหารตามความจาเป็นตามความเหมาะสม อย่างสำมนเพศนี้อย่างพระที่ปฏิบัติท่านจะถือการรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นและรับประทานเพื่อร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อกิเลส ต, ตัณหาคือไม่ได้รับประทานเพราะรสชาติดีเพราะมีกลิ่นหอมเพราะมีรูปลักษณะที่ถูกอกถูกใจ แต่รับประทานเหมือนกับรับประทานยาอาหารจะมาในรูปแบบไหนก็รับประทานได้ตราบใดที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่ได้ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปทำหน้าที่เยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่หิวไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องรับประทานแบบนี้ไม่จู้จี้จุกจิกกับชนิดอาหารต่างๆว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ให้ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็รับประทานไปหรือถ้ายังมีความจู้จี้จุกจิกบางครั้งก็ต้องใช้ธรรมะเข้ามาแก่คือให้พิจารณาเห็นว่าอาหารทั้งหลาย ที่เราเลือกรับประทานนี้เวลาเข้าไปในปากแล้วเป็นอย่างไรเวลาเข้าไปในท้องแล้วเป็นอย่างไรอาหารทุกอย่างที่เราเลือกรับประทานนี้ในที่สุดมันก็จะต้องลงไปรวมกันในท้องถ้ากินเพื่อร่างกายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันเราควรที่จะผสมอาหารต่าง ที่จะเข้าไปรวมกันในท้องนี้ให้รวมไว้ในภาชนะอันเดียวก่อนเช่นอาหารขาวหวานขนมต่างๆมาใส่ในภาชนะอันเดียวเช่นบาแล้วก็คลุกมันให้มันเหมือนกับอาหารที่เข้าไปรวมกันในท้องถ้าต้องการรับประทานเพื่อเยียวยารักษาร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อตอบสนองกิเลส ต, ตัณหา เราก็ต้องรับประทานอย่างนี้เอาข้าวใส่เข้าไปเอากะปิใส่เข้าไปเอาผ ล, ลไม้ใส่เข้าไปเอาของหวานขนมต่างๆใส่เข้าไปแล้วก็คลุกมันเหมือนกับเราคลุกข้าวให้สุนัขรับประทานร่างกายเราก็เป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งเราก็เลี้ยงสุนัขตัวนี้แบบที่เราเลี้ยงสุนัขของเราคลุกข้าวแล้วก็ แล้วก็ป้อนอาหารนี้เข้าไปในร่างกายเพราะความจริงเราไม่ได้เป็นผู้รับประทานผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคี้ยวกลืนอาหารตักอาหารเข้าปากนี้เป็นเราซึ่งไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดเราเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายรับประทานอาหารดังนั้นร่างกายนี้ก็จึงเป็นเหมือนกับสุนัขที่เราเลี้ยง หรือแมวที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านดีๆนี่เองเราไม่ต้องไปพิถีพิถันเวลาเราเลี้ยงข้าวให้สุนัขเราไม่ได้เป็นเลือกกับข้าวกับปลามีอะไรเราก็คลุกมันเข้าไปมีอะไรเหลือเราก็คลุกมันเข้าไปแล้วก็ให้สุนัขรับประทานเราก็ต้องทำอย่างนี้ <c oughs> กับร่างกายของเราถ้าเราจะป้องกันไม่ให้การรับประทานของเหล่านี้เป็นการสร้างภพชาติขึ้นมา คือรับประทานตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเราต้องมีวิธีแก้ไขและเราต้องรับประทานพอประมาณเช่นเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้รับประทานวันละหนึ่งนึ่งก็พอแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่รับประทานอะไรอีกไม่ดื่มอะไรอีกนอกจากน้าเปล่าน้ำเปล่าที่มีความจำเป็น นี่หมายถึงผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะทำอย่างนี้แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นน้อยแล้วก็ยังมีความอ่อนแอต่ออำนาจของกิเลสในตอนบ่ายก็อาจจะฉันน้นปนานะบ้างอาจจะฉันน้ำชากาแฟน้ำผลไม้เครื่องดื่มต่างๆ ที่สรงอนญาตให้ฉันได้ในตอนบ่ายแต่ถ้าเป็นพระที่ไปทุดงอยู่ในป่าองเดียวนี้ท่านจะไม่มีน้าปานะไม่มีเครื่องดื่มน้ำชากาแฟจะมีแต่อาหารที่ได้จากบินทบาทซึ่งก็จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีรสชาติเพราะเป็นอาหารของชาวป่าชาวเขาชาวไร่ชาวนา อาหารก็กินเพื่อที่ประทังชีพอยู่เท่านั้นแต่บุญบารมีของท่านกับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่ท่านไม่ต้องมาวุ่นมากังวลกับเรื่องการหาอาหารชนิดต่างๆหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอจิเลตตัญหาท่านก็จะมีเวลาบำเพ็ญสมณะธรรม คือเดินจงกรมงัมสมาธิสร้างให้เกิดปัญญาสร้างให้เกิดศีลสร้างให้เกิดเมตตาให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาเพราะเป็นบา ร, รมีที่จะตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆความโลภต่างๆได้ถ้ามัวแต่มาเสียเวลากับเรื่องอาหารการกินการอยู่การรับประทาน ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างบุญบารมีคือการปริกเว้เว <c oughs> เดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหลคือเรื่องของภารกิจต่างๆที่เราทำกันมีสส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็ดูแลรักษาร่างกายส่วนที่สองก็ดูแลรักษาจิตใจและส่วนที่สา ก็คือดูแลกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราต้องพิจารณาดูว่าทุกๆวันนี้เราทําภารกิจส่วนไหนบ้างส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยเรื่องภารกิจทางร่างกายนี้เชื่อว่าทุกคนทําทํามากพอเท่าๆกันเพราะไม่เช่นนั้นร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้แต่เรื่องภารกิจทางจิตใจ คือทางบุญบารมีกับภารกิจทางกิเลสตัณหานี้ส่วนไหนจะมากกว่ากันแล้วใช้เงินใช้ทองในการทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมมากกว่าใช้เงินใช้ทองในการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆสองของที่ไม่มีความ จ, จำเป็นต่อการดำรงชีพ รือต่อการหาขนมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรับประทานอาหารวันละสามสี่มื้ออย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เวลาของเราหรือปฏิบัติภารกิจของเราในการสนับสนุนกิเลสตัณหาซึ่งจะเป็นตัวที่จะทำให้ ภพชาติของเรานี้มีเพิ่มมากขึ้นไปมียาวมากขึ้นแล้วก็จะทำให้กองทุกข์ของที่จะเกิดขึ้นในใจนี้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องคอยสังเกตดูฐานตัวเราดูว่าเรากำลังทำภารกิจอะไรบ้างเวลาที่เราทำภารกิจเพื่อร่างกาย เราทำเพื่อกิเลสตัณหาด้วยหรือไม่เช่นเวลาเราซื้อเสื้อผ้ามาใส่เราต้องเลือกว่าเป็นเสื้อผ้าราคาชนิดนั้นชนิดนี้ยี่ห้อชนิดนั้นชนิดนี้ราคาขนาดนั้นขนาดนี้หรือไม่หรือเราซื้อมาเพื่อมาหุ้มห่อปกปิดร่างกายของเราป้องกันความหนาวป้องกันมแมลงต่างๆที่จะมากัดร่างกายของเรา หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าต้องซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มียี่ห้อมีราคาอย่างนี้เรากำลังกาลังเพิ่มพบชาติเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราซื้อเสื้อผ้าตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ขอให้ใส่ได้ปกปิดป้องการร่างกายได้อย่างนี้เราก็จะ ไม่ได้ไปเพิ่มพบชาเราจะดูแลรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงให้สมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้เอามาสร้างบุญบา ร, รมีนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเวลาเราทำอะไรให้กับร่างกายอย่าทำให้กับกิเลสตัณหาไปด้วยต้องรู้จักดัดนิสัยมันเช่นเสื้อผ้าเราจำเป็นจะต้องมี ใช้สักกี่ชุดกันถ้าเรามีมากเกินความจำเป็นเราก็ควรที่จะเอาไปบริจาคเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีเสื้อผ้าใส่อยากเก็บเอาไว้ให้มันเก็บกะเพราะว่ามันจะเต็มตู้แล้วก็จะต้องเสียเงินไปซื้อตู้ใหม่มาใส่เสื้อผ้าอีกแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ เราอยากจะตัดกิเลสตัณหาเราก็ต้องมีเสื้อผ้าไว้เท่าที่จําเป็นต่อการใช้สอยก็พอหรือถ้าว่าต้องซื้อใหม่ก็ต้องรอให้ของเก่าที่เราใช้นี้มันขาดไปก่อนไม่สามารถใส่ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่มาสร้างภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไป สร้างกองทุกข์ให้มีมากขึ้นไปแล้วเราจะมีเงินที่จะได้มาสร้างบุญบารมีกันเช <c oughs> ่นมาวันนี้ก็ต้องมีเงินถึงจะมาได้ต้องต้องเสียค่ารถเสียค่าน้ามันต้องเสียค่าข้าวของต่างๆถึงจะมาสร้างทานบารมีได้ถึงจะมารักษาศีลได้ถึงจะมาปฏิบัติธรรมได้ ถ้าเราเอาเงินเหล่า น, นี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็จะอ้างว่าไม่มีเงินมาวัดกันเลยไม่เข้าวัดกันเลยไม่ได้ตัดพบตัดชาติให้มันน้อยลงไปไม่ได้ลดกองทุกข์ให้มันเล็กลงไปแต่กลับไปสร้างภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปสร้างกองทุกข์ให้มีมากขึ้นไป โดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าการกระทาของเราทุกวันนี้เป็นการสร้างกองทุกข์ให้กับเราเป็นการยืดการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้มียาวเพิ่มออกไปเองให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญาเหมือนกับระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตสาวุที่สามารถเห็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ของดวงจิตดวงใจของเราได้เราไม่รู้ว่าเรามีดวงจิตดวงใจที่จะต้องไปเกิดอีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรารู้เพียงแต่ว่าอยากจะได้อะไรก็ขอให้ได้มาแล้วจะมีความสุขแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าความอยากต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะต้องพาให้เราไปเกิดใหม่ แล้ทุกครั้งที่เกิดก็ต้องไปทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับความพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้เรามีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วรู้สึกอย่างไร บางครั้งนี้อยากจะกระโดดตึกตายไปก็มีเพราะทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้เราต้องพยายามคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆนะให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่ามันเกิดจากการที่เราไปบำรุงรักษากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆของเรานี้เองถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดไม่กลับมา แบกรองทุกข์อีกเราต้องพยายามฝืนความโลภความอยากต่างๆอย่าทำตามความโลภตามความอยากต่างๆดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าต้องเสด็จออกจากพระรา ช, ชวังเพราะทรงรู้ว่าอยู่ในวังก็เหมือนกับเป็นการต่ออายุของภพชาตินั่นเองเพราะมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอย ยั่วยวนกวนกิเลสตัณหากวนความโลภกวนความอยากทำให้ไม่สามารถที่จะตัดมันได้จึงต้องเสด็จหนีออกจากพระราชวังไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวน ก, วนกิเลสตัณหานั่นเองแล้วก็จะทำให้การสร้างบารมีต่างๆนั้น เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วรักษาสิง์ก็สะดวกจเจริญปัญญาก็สะดวกจเจริญอุเบกขาก็สะดวกจเจริญเมตตาก็จะสะดวกเพราะไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องล่ อ, อ ก, กิเลสตัณหาให้ผุดขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าอยู่ในวังนี้จะมีทุกอย่างคอยล่ อ, อ ก, กิเลสมองเห็นอะไรก็อยาก อยากได้อยากทําได้ยินอะไรก็อยากฟังอยากเล่น mm hmm. เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในวังหรืออยู่ในในเมืองนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหานั่นเองผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาสร้างไปตามอําอนาจของกิเลสตัณหาที่เรามีโทรทัศน์มนีภา พ, พยนตร์เครื่องเสียงเครื่องเล่น มีเกมให้เล่นนี้อะไรต่างๆเหล่านี้มันออกมาจากความอยากของกิเลสตัณหาเท่านั้นแล้วเมื่อกิเลสตัณหามาได้สัมผัสก็จะเหมือนกับปลาได้น้ําทันทีพอเห็นเห็นเห็นเห็นเครื่องเล่นก็อดที่อยากจะเล่นไม่ได้พอเห็นเครื่องดื่มก็อดที่อยากจะดื่มไม่ได้พอเห็นขนมก็อดที่อยากจะรับประทานไม่ได้ นี่คือสิ่งที่จะคอยสร้างคอยกระตุ้นกิเลสตัณหาคนฉลาดจึงต้องปีกเว่เวต้องหนีออกจากบ้านออกจากเมืองไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อที่จะได้บังเพนบุญบารมีที่จะตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจจนตัดได้จนหมดสิ้น อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราต้องดูท่านเป็นตัวอยา่างถ้าเราไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปเราต้องตัดเรื่องของกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่าไปทําภารกิจเพื่อรับใช้กิเลสตัณหาหรือดูแลรักษากิเลสตัณหา ให้ทําภารกิจสองส่วนคือภารกิจที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายและภารกิจที่ดูแลรักษาจิตใจคือการสร้างบุญบารมีต่างๆอย่างที่ท่านได้มาสร้างกันในวันนี้นั่นเองขอให้ทําให้มากขึ้นขอให้มีวันพระมากขึ้นจากวันอาทิตย์ละหนึ่งวันให้เป็นสองเป็นสาม และให้เป็นครบเจ็ดวันต่อไปให้ได้แล้วรับรองได้ว่าภพชาตินี้จะหมดได้ในภพนี้ในชาตินี้เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายขอให้ทำชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายของเรานี่คือนี่คื อ, อความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ให้แกสัตว์โลก<ม>ก็เพื่อที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะการเกิดนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยแต่การไม่เกิดต่างหากเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนั่นเองถ้าตาบใดยังเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์ตามมาจึงขอให้ท่านจะเอาเรื่องของการ บำเพ็ญบุญบารมีในวันหยุดในวันที่ท่านมีเวลาว่างนี้ไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสิ้นแห่งการเหวียนไหวาตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนตรัย และบุญขุศลที่ท่านได้มาบัรเทนกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแกราปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ